บางทำกันมีเรื่องเดียวที่เราจะต้องใส่ใจคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็ ค, มคือการเจริญสติมีสติไปในกายในจิตเพื่อขัดให้มันคุ้นเคยชรวจาก ดูแลกายดูจากดูแลจิตใจรูจากช่วยกายช่วยใจให้มีสติเป็นผู้เข้าไปช่วยแล้วก็สอนตัวเราถ้าเราสอนตัวเราละกก็สอนคนอื่นได้อย่างนั้นเพราะอันความจริงอันเดียวกันแต่เรามีสติ ใครก็มีสติก็รู้จักกันถ้าพูดถึงความหลงเราก็รู้กันพูดถึงความสุขพูดถึงความทุกข์เราก็รู้กันพูดถึงความโลภความโกรธความหลงก็รู้กันอันใดไม่ใช่สติอันที่มันไม่ใช่สติเราก็รู้เราก็รู้จักกับมหาสติเป็นถ้าเราปฏิบัต เปลี่ยนควมลงเป็นความรู้ได้เราก็สอนคนอื่นได้ไม่า ย, ยากไม่ต้องไปท้องจำอะไรเอาบเทเรียนจากตัวเราเองแล้วทุกคนก็สอนกันได้เป็นเพื่อนกันได้เป็วิธีใดที่ทำให้รู้สึกตัวกับเนเพื่อนกัน ให้เกิดความรู้สึกตัววิธีใด ท, ที่ทำให้เกิดการหลงตัวเขช่วยกันอย่าให้เกิดความหลงให้เป็นสีบเป็นอ่ที่ดีกับการใช้ชีวิตประจําวันบางทีอาจจะไม่ระมัดระวังการพูดการไอการใช้ชีวิต เพราะการปฏิบัติธรรมแม้แต่การไอการอะไรก็เพื่อไม่ให้คนเดินทรรารหรือสัตว์บางที่เราไอแรงๆเอิมแรงๆเหมือนหลวงพ่อเนี่ยกอระลอกมก็ตื่นตกใจควางเก่งก็ตื่นตกใจ น, นี้ก็ อไอ้ดีเหล็กปีย้อยไปก็ทำให้เราได้สำรวมมันแหละเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราสร้างสีเวลล้อมให้เป็นการสำรวมิสติสามัญญะ <c oughs> มีการฝึกหัดอินทร์เจกล้าหนักช่วยกันถาบจาบช่วยกันดึงอะไรที่มันเป็นของหนัก กับตัวเราขอช่วยปร่งช่วยวางให้เป็นของเบาภารหาเวเปัญจากขันธาขันทัน้งหเป็นของหนักเดอ้อมีรูปเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณรูปก็คือกายของเราเวทนาคือความสุขทุกข์อันเกิดจากกายจากใจสัญญาคือมันบันทึกไว้มันเจ็บเอาไว้มันเจ็บข้อมูลที่ ไม่ดีเอาไว้เพื่อเอามายึดเป็นตัวเป็นตนเป็นสัญญาสิบปียี่สิปีเอามาคิดเอามาทําย้อนกลับมาหาความคิดก็ปรุงแต่งไปตามที่เคยได้สัญญาเอาไว้ในชีวิตของเราเอาสัญญาที่เป็นอวิชชาไม่ใช่สัญญาแบบเป็น ปิชาสังขารคือขยันขยันหลงขยันปรุงเรื่องเก่าคิดแล้วคิดอีเรื่องเก่าเก่าม่คิดแล้วไม่คิดติขยันปรุงในตาเยสังขารขยันปรุงในจิตตสังขารวิญญาณคือมันเจ็บเอาไว้มันติดวิญญาณคือติด ไปพวงไปเจ็บอะไรมามก็ติตส น, นั้นที่ว่าวิญญาณแล้วก็มาเป็นขันที่เป็นอุปาทานเมื่อเปอปาทานก็ยึดไว้ก็กลายเป็นพบเป็นชาติเชลามรณะในเรื่องขันห้าเกิดพบเกิดชาติเกิดดับเกิดดับ <c oughs> ขยัดเกิด เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไม่หยุดเกิดสักทีพระพุทธเจ้าจึงว่าพระพุทธเจ้าวางลงแล้วไม่ยึดเอาของหนักอันหนึ่งขึ้นมาอีกอย่างนี้เราก็ทำตามมีผู้ทำมาสาเร็จแล้วเราก็ลองทำให้สาเร็จลองดูอย่าไปมอบให้ใคร ทำอะไรที่เป็นสิ่งถูกต้องอย่าไปองอให้พระพุทธเจ้าลำพังพระองค์เดียวเราก็มีสิทธทิทำถูกเหมือนกันการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ของพวกเราไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของมนุษยชาติทั้งมวลเราจะนั่งมาทำ ให้มันมีให้มันเป็นทําให้เป็นไม่ใช่ไปจําเอาทําให้มันเป็นมันหลงเปลี่ยนความหลงเป็นตัวลู่ทําให้มันเป็นถ้าไม่เคยเปลี่ยนสักทีมันก็ไม่เป็นสักทีมันก็หลงอยู่นั้นถ้ามันทุกก็เปลี่ยนความทุกข์เป็นความลู่ทึกตัวก็เปลี่ยนให้มันเป็นทําให้เป็นไม่ใช่ทาให้ลู่ เราไม่รู้เนี่ยสอนอะไรนิดเดียวข้าวเดียวจบกันเลยแต่สอนให้เป็นเนี่ยเราต้องสอนตัวเราเองคนอื่นไม่สามารถที่สอนให้เราเป็นได้นีแต่เราเท่านั้นที่สอนให้เราเป็นเป็นอะไรเป็นคนผิดเป็นคนถูกเมื่อเราผิดเราก็สอนให้เราเป็นคนถูกสอนไห้มันถูกครบกตัวเองในเรื่องอย่างนี้ให้มากๆ จนชำนิชำนาญข้องเช่าเกิดฌานเกิดปัญญาเกิดปรินญาขึ้นมาถ้าชนานาญการชำนานเรียกว่าปรินญาปาริญญาในธรรมกาตะประิญญากาหนดรู้โดยการรู้รู้แล้วไม่เข้าไปอยู่กับมันมันสุขก็รู้แล้วว่ามันสุขไม่เข้าไปอยู่คงบสุข บรรทุกก็รู้แล้วว่าบรรทุกไม่เข้าไปอยู่ในค ว, วามทุกข์มันหลงก็รู้แล้วว่ามันหลงไม่ใช่ไปอยู่ความหลงเรียกว่ายาตะปัญญาเห็นแล้วเมื่อเราเห็นแล้วไม่ไปเปิดไปเพื่อนกับสิ่งต่างๆให้กลายเป็นเวทนาสัญญาสังขารปัญญาเราเรียกว่ายาตะปัญญา ติและคณะปริญญ า, าเขาเ แ, แจกแกะแยงให้เป็นแยกออกอยากให้เป็นดุนเดืนอนก้อนเพราะมันทุกอย่างมันเกิดต่อเนื่องกันแจกออกหัดแจกหัดแบ่งออกมันต่อเนื่องเลยกันความหลงนั้นที่มันจะเกิดขึ้น ล, ลอยมันต้องมีไม่มีสติเป็นอย่งหลงแจกดู ท, ทําไมจึงมีสติแล้วต้องสร้างต้องกําหนดรู้ เรียกว่าตีลัะปริยาหาอ่ า, า, าทางหลุดท้นให้มันพบช่องทางจากเหตุที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้สิ่งที่มันผิดนั้นหมดไปได้ทุกครั้งทุกครั้งเรียกว่าปัญหาะปัิญาทำให้หมดไปให้เหลือแต่ความรู้โชว์เอาไว้ ย้าให้ความหลงมันโชว์ถ้าความหลงมันโชวมันก็หลงไปอีกมากมายเหมือนกับสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างชาดกพูดเรื่องเหยี่ยวสองตัวลูกเหยี่ยวสองตัวเมื่อลมพัดตัวหนึ่งตกไปในภูเขาเสียเงิน ตัวหนึ่งตกไปในภูเขาสีทองเหยี่ยวก็กลายเป็นสีเงินสีทองไปตามสิ่งแวดล้อมเด็กนกสาริกาสองตัวตัวหนึ่งตกลงไปในหมู่โจรโจเรเลี้ยงไว้โจรก็พูดกันคูจะฆ่ามันคูจะพ้นมันคูเป็นผู้ยิงมันคูเป็นผู้ทําก่อนปูนโดยผู้ลงมือก่อนสาริกาก็ได้ยินแต่คําพูดอย่างนั้น กูพูดเป็นกูจะฆ่ามันกูจะตีมันกูจะยิงมันกูจะเอาของมันอันตัวหนึ่งตกไปอยู่กับพระฤๅษีฤๅษีก็พูดแค่มีแต่ความเมตตากรุณาฤๅษีบุนีเมตตากาุณากันอย่าเบียดเบียนกันให้โดยอยากให้อภัยกันพูดอะไรก็พูดแต่เรื่องเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลอย่าทำลายอย่าอิจฉาปบาตกัน นกสิริกาโต น, นก็พูดอ่าอ่าซาเสัตาสาตังหลยยัจไม่ควางศกคชองหวมีทุกข์มีภยัยจะช่วยกันช่วยกันอย่าปิดเปลี่ย น, นกันพูดเป็นเมื่อ <c oughs> มีคนแบ่ไปหาพราลือสีเสียงนกก็พูดพริษีก็พูด อคนไปหาโจรโจรก็พูดนกก็พูดไม่ถดงเรื่องขาเรื่องข้ า, เ ร, เ, รขาเรื่องตีกันคนก็เลยไม่ได้สิ่งเวดล้อมที่ดีก็อยู่ไม่ได้สะตว์ใดก็ดีการสิ่งเวดล้อมสร้างสิ่งเวดล้อมให้ตัวเองนะต้องสร้างเอาสร้างเอาทําทําให้เกิดความสะดวกอย่าไปทําให้เป็นการบ้าน แม้มาจะสร้างการบ้านขึ้นมาก็ทําให้เกิดการสะดวกอย่างเรื่องเคยเล่าให้ฟังหลายทีแล้วอาจารย์ทิโกอินสอนกรรมฐานเป็นอาจารย์สอนอยู่ข้างหมู่บ้านในระหว่างไกลปวัตินนะมีล้านค่าสองล้านล้านค่าสองล้านเนี่ยล้านหนึ่งมีลูกชายล้านหนึ่งมีลูกสาว แตว่าแข่งขันกันการค้าขายก็ไม่ค่อยไม่ค่อยลงกันเท่าไหร่ทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยคนขายแพงคนขายถูกตกลงกันแล้วขายเท่างก็กลับไปขายหักหลังกันก็เลยทะเลาะกันแต่ลูกสาวลูกชายรักกันรักกันก็เสียกันหญิงสาวก็ตั้งขันขึ้นมาก็ตั้งขันขึ้นมา แม่พ่อก็รู้ว่าไปเมืคันมาจากใครตั้งคันมาจากใครใครเป็นพ่อเด็กในคันลูกสาวของก็เลยถ้าจะบอกว่าไอ้หนุ่มลั่นค่าเนี่พ่อแม่ก็โกรธยู่เดีวยวเรกลัว พ, พ่อแม่จะฆ่าจะตีจะเก็บจะปวดก็เลยบอกว่าอาจารย์อยู่วัดเป็นพ่อของเด็กแม่พ่อของหญิงสาวก็มาด่าอาจารย์ บริษัเรียนดูผสมเอะทากตะลบกบาบไส้ทำไมมาทําอย่างนี้ดา่าอาจารย์นี่ก็เห็นเขาพูดคําเดียวว่าเขาว่าอย่างนั้นหรือโยมเขด่าไปเท่าไร่พูดคําเดียวเขาว่าอย่างนั้นหรือโยมด่าไปเท่าไรก็อาจารย์ก็พูดคําเดียวเขาว่าอย่างนั้นหรือแล้วก็เมื่อหญิงสาวคนนั้น ก็ลูกออกมาก็แม่ของหญสาวก็เด็กมาให้อ า, ให อ, อาอาอจารย์ที่โกอินเลี้ยงเอ้าลูกบังเลี้ยงเอาอาจารย์ที่โกอินก็บอกว่าเขาว่างานหรือโยม <c oughs> ดีเลย <c oughs> เอา้าบ้าไอ้หมาเขาว่างานรลยโยมเอารับเด็กเลี้ยงมีอะไรนี่ห่อยก็ซื้อนมเสื้ออะไรมาเลี้ยงดู เอ้ยหญิงสาวคนนั้นอ่ะอดไม่ลนนทนไม่ได้เป็นทุกข์มากทั้งๆ ท, ท, ที่อาจารย์วัดไม่ใช่เป็นพ่อเด็กพ่อเด็กคือหนุ่มข้างบ้านก็เลยอดอะไรๆสำหรับได้บอกแม่โอโทษพอไปพ่อของเด็กจริงๆคือเจ้าหนุ่มข้างบ้านเนี่ยร้านค่าเนีะเอา้าพ่อแม่ก็ตกใจกันใหญ่โอ้ยวิ่งออกมาวัดมาเอาลูกหลานให้คืนไป ขอโทษเข้าไปอาจารย์เฮโคอินอาจารย์เฮโกอินก็พูดคำเดิียวเขาว่างั้นหรือโยมเขาวบ้านหรือเอาลูกก็ไปอขออภัยเอาขันหน้ามาบูชามาสมมากรว่าก็ว่าคำเดียวเขาว่างั้นหรือเขาว่างั้นรคือจิตที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวกับสิ่งใด ห, หนักแน่นการมีจิตหนังแน่นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะมีสติมีศีล ศิล น, นี่คือความหนักแน่นคือหินก้อนหินหนักแน่นไม่ปลิวเหมือนนุ่นเขาว่าอะไรก็ไปไปตามเขาทั้งทั้งนี่เราไม่เป็นให้เขาซักเหมือนหนังตะลุงชีวิตของเราเขาซักให้เราเป็นหุ่นให้เราเป็นหุ่นให้เขาซักกายก็ดีใจก็ดีเดี๋ยวนี่นะถ้าใครเนี่ยรู้จักเรื่องนี้ไปพูดในคนโกรธบ่อย ทำลายมันให้มันโกรธบ่อยเมื่อไปพูดเขาโกรธหรือว่าได้เปรียบเขาแล้วเสียเขาเสียเปรียบแล้วเมื่อเขาโกรธบ่อยเขาต้องทุกข์เมื่อเขาโกรธห่วยเขาต้องเกิดโรค ก, กับพ่ออาหารต้องเจ็บป่วยอาจจะตายไปคนก็ไปมีจิตวิทยาทําให้คู่กรณีกันเป็นทุกข์โดยหาเรื่องหาราให้เกิดความทุกข์อยู่ด้วยเขาก็อยู่เฉยอันนี้เขาไปดี อาไม่ดีช่วยกันอยะไปทำอะไรที่ให้เกิดริงแวดล้อมไม่ดีไม่จะเป็นนกสาลิกาอยู่กับฝูงโจรต้องมีสิ่งแวดล้อมสร้างกับตัวเองให้ดีๆคิดสิด่งใดพูดสิด่งใดทำสิ่งใดมีสติมีส ต, ตินี่ความดีมาเป็นพวงๆวงอนุภาพของการเจริญสตินี่ ที่นี่ไม่ได้พูดอะไรมากไม่มีพิธีกรรมอะไรมากต้องมาขอสินต้องมาสมาทานต้องม า, ามีวัดอะไร่เช่นคัดสอนกันแบบเช่นคัดไม่มีให้เป็นอิสระมีสติวิธีใดที่มีสติก็บอกอยู่แล้วว่ายกมือสั้างอย่างนไะพอแล้วสินก็จะเกิดขึ้นเป็นศินสิกขาไม่ใช่สินสมาทาน ศีลสมาทานนี่เป็นศีลของสังคมรักษาเพื่ออยู่ด้วยกันได้ถ้าใครไม่มีศีลสังคมเขอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็จับไปติดคุกติดตารางหรือประหารชีวิตไปซะศีลสังคมน่ยอันศีลสิขาเนี่ยเป็นศีลทาําลายค่าเสกิเลสจะทำทั้งหลายถ้ามันปลาลายไชยไปพ่ายแพ้ไปเดี๋ยวนี้เราพ่ายแพ้ความชั่ว ในปาราชัยปราระชิกด้วยผู้ดใดที่พ่ายแพ้ต่อความโลภความโกรธความหวังต่อกิเดชทัน์อยู่เกิดทุกข์อยู่เรียกว่าปาราชิก ค, คือพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ไม่มีโอกาสได้รุตธรรมเลยชาตินี้ขวงกันเท่าไเราอาจจะไม่ได้ไปเสพมิถุนเป็นลักของเขาไปฆ่าจัดไปพูดอุตรนิปุนุธรรมแต่ว่าลองโทษตัวเองให้ ไห้แพร่ต่อความชั่วยอมรับเต่าความชั่วเรียกว่าป่าละชิกแต่ภาษาธรรมถ้าภาษาคนธรรมาก็ต้องท่องไปตามรูปแบบถือมั่นในการท่องจ้อเพ่งอะไรต่างๆแต่จิตนี่หมักนุ่นไปด้วยกิเลสตัณหาหรือว่ามือถือศรปากถือศีลหัวใจอยู่ต่ำาัวอุ้งเตียนหมาเขาด่าเรา เขอดา่าเราเหมือนหลวงพ่อพูดให้โยมฟังอะไรมันคือบ น, นคือบาปอะไรคือ พ, ะพระหลวพอไปหาควายไปเจอพระจับปลานสระของโยมอยู่ตอนเย็นเย็นพบค่ำไปดูพอ้พ้าเหลืองอะไรมากองอยู่ขอบสาลไปดูเรา สองเมื่อในจะเห็นพระสามสีรูปงมงป่าเอาทิ้งขึ้นมาบนบกปังก็ไม่ไโอ้ยพระอะไรนะเนาอเราว่าสส่งข้าวส่งปลาทำไมมาสมัยนี้มือถือศาสตปากถือศีลแต่ว่ามือกรมสาก็ไเหมือนรือสีหลวงเหี้ยไปได้เย็นรือสีหลวงเหี้ยไหมไ <c oughs> อสีหลวงเหี้ย ถูกเฮียบันดาอยากฟังไหมใช่เราไม่ฟังหลวงพ่อมีสไล่สมัยก่อนนะจะจำเรื่องนั้นแลวนี้มารือสีหลงเฮียเนี่ยเป็นลือสี อ, อบวดแต่ไม่ใช่เป็นลูกที้นุ่งผ้าหนังเสือใสเครื่องตายเหมือนเสือเหมือนอะไรแบบ มีชะดาผมไม่โกนใส่หัวหมวดโขลกพลุงพลังอยู่ในถ้ำไปบินตะบาด ท, ทุกวันวันหนึ่งมีชาวบ้านเอาแกงเหี้ยมาใส่บาทมาฉันดูรู้สึกวันมีรสชาติแซ่บเคยกินแจงเหี้ยไอาอ้ฤๅสีคนเลยกินแจงเหี้ยติดตกติดใจชอบ เอ๊ไม่แจ้งอะไรเนี่ยล่าอยเยเกินเลยไปถามคนที่เสบา่าเอามือวันนั่นเอาแจงอะไรเสบาท่ะแจงเฮี้ยเขาบอกลรงๆอือก็คิดแล้วบ่เพราะอยู่ใกล้ๆ ก, กติของตนมีเฮี้ยตัวหนึ่งอยู่ที่นั่นมารับเสถ า, ารอยู่ประจำเวลาเยินอาหารไม่หมดก็เอาไปให้เฮี้ยเย็นออกเกรูมากจิน อาหารเลี่ยงมันอยี่ยด้วยกันนะพอดีวันนั้นถือสาดแล้วมือถือศีมือถือศาดปากถือศินจากข้าเฮีย้ยมาแจงกินเราดูทําไมมันแซ่บเหลือเกินเอาข้าวไปล่อเฮีย้ยมันก็มากิ น, กนแต่ว่าทําท่าสงบเงียมแต่ว่ามือถือค้อนเอาไว้เวลาเฮีย่ยออกมาจะตีเหี้ยตายเฮีย้ยก็ออกมาเห็นดื้อชี ผิดสังเกตมีเพรุธทั้งหลับตาทั้งเลือนตาทั้งอะไรไม่เห็นไหวบางใจเหี้ยตอนนั้นก็ระวังไม่ทาไม่เหมือนไม่เหมือนเมื่อคราวก่อนต้องระวังตัวจะหน่อพอเหี้ยจนออกมาเลยเสียนก็ค้อตีเหี้ยเหี้ยก็มุดเข้าไปในลูมุดเข้าไปรูเหี้ยเอ่อเสียก็ค่าตีมันไม่ถูก เนีมันโผล่ออกมาเลือดแต่หัวไว่แลบเล่นดา่าเลยสิมือถือสาะปากถือศีลหัวใจอยู่ในอ้วเต็มหมาจะฆ่าเขาเราอุาตสาห์ถูกเจ้าหลอกลวงมาอยู่ด้กันมาบันนี้เราจะมุดเข้าไปในจมพวกไม่ท่านมาเห็นหน้าเราอีกต่อไปเลยเนี่ยด่าใช่ไหมมือถือสาะปากถือศีลอเพราะ น, นั้นเนี่ย อันนี้มันหลอกกันได้ทำท่าสงบเยียมแต่ว่าใจนั้นต่ำต้อยเหมืนนอนหลวงพ่อเห็นพระไปงมสระงมปลาในสระชาวบ้านเขาเรื่องดูเกี่ยวข้าวใหม่ใหม่เขายังไม่จับปลาในสระของเขามันก็เยอะไปเอาอยากได้ปลามาแกงกินมีเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องนี้ช้ำใจมากเราแต่ว่าดีเห็นภาพอย่างนี้ทําให้เรานะศึกษา ด้านศาสนามารับผิดชอบดูมันคืออะไรกันแน่พระคืออะไรพระพุธพะทธพระธรรมพระสงเกย์บุญคืออะไรบาปคืออะไรและเยินว่าหลวงพ่อเทียนนี่ยเป็นคนสอนให้คนลูกบุญลูกบาปลูกศาสนาลูกพระพุธพะทธพระธรรมพระสงเกย์ผู้เลยเนี่ยไปศึกษามาเป็นพ ง, วงพวงหลวงพ่อเขาสอนหวพ่อเทียนก็สอนพวกเราแบบนี้แหละให้มีสตินี่แหละ ให้มีสติเอา้ามันก็เป็นพวงจริงๆเป็นศีลก็มีแล้วจึงรู้มีแล้วจึงเห็นไม่ใช่คิดเห็นมีศีลแล้วจึงมาเห็นว่าตัวเองมีศีลเราอยู่กับศีลมาหลายวันปกติจิตใจไม่ฟูไม่แปรกายเขาไม่ข้าศัตัดชีตกระจาก็ไม่ได้พูดคำช่วย ใ, ใจก็ใจก็ไม่ได้ชิดชั่วแล้วอยู่กับศีลมามันสํารวมลงมาเป็นสติแล้วสติทําให้เกิดศีลศีลถ้าไม่เกิดสิสติทําให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเรามีสมาธิหนักแน่นไม่หวั่นไหวโอ้มีสมาธิแล้วเรามีปัญญารู้จักเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีได้ทุกครั้งเดีมเกิดหลงเปลี่ยนเป็นตัวรู้ได้โอ้ปัญญานะเนี่ยปัญญาเอา รอบรู้สังขารที่มันปวงปว ง, งแต่งแ ต, งแตง่ให้เป็นเรื่องร้ายเป็นเรื่องดีได้อ้เราอยู่กับศีลอยู่กับสมาธิอยู่กับปัญญามานาน <c oughs> ยิงแบบโอ้ยศีลคือ น, นี้สมาธิคือ น, นี้ปัญญาคืออย่างนี้บุญก็คือใจที่มันดีที่มันรู้เนี่ยไม่หลงรู้ผิด ละผิดได้ไม่ทำผิดไม่พูดผิดไม่คิดผิดรู้บุญรู้จักทาบุญเป็นแต่ไม่ไม่ติดบุญพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาต่อคํามอนพระพุทธเจ้าพุทธะคือภา ว, วะที่รู้ที่ตื่นเป็นคุณธรรมผู้ดใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าก็คือธรรมพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรม พระธรรมย่อมรักษาผู้ให้ปฏิบัติให้ตกเป็นฤๅษีชั่วช่วยเราจริงๆรพระธรรมพระธรรมคือเรื่บ้างคือศีลคือาสมาธิคือปัญญาเวลาใดที่เราไม่อะไรขึ้นมาศีลมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยโอ้ไม่ตกเป็นฤๅษชั่วพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมมาเนี่เคารพศีลเคารพสมาธิเคารพเพิปัญญา รักความชั่วทำความดีไม่กล้าชิตชัว่วไกล้าพูดชัว่วคำพวดเทียนพูดให้เราฟังตอนนี้ท่านจะ <c oughs> เปลี่ยนแปลงในชีวิตจิตใจของท่านว่ามาลู้เรื่องนี้ก็มาลู่ว่าบาปํำไปสูน่นรกบุญํำไปสู่สุคติเราไม่ทำบาปเลยทางกาย ไห้ค่าสัตวรักทรัพย์ให้พุทธึุณไการแต่ว่าถ้าใจถ้าวาจายังพูดบาปอยู่ใจมีบุญขนาดไหนถ้าจะมีบาปจะมีบาปขนาดไหนถ้าเราไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วไม่ทางวาจาทางใจอยู่ถ้ามีบุญใจมีบุญมากเท่าไหร่ถ้ามีบาปแต่ะละบาปใหมากเท่าไหร่ ถ้าเราไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วไม่ทำชั่วตั้งกายบาดาจใจจะมีบุญอย่างไงจะมีบาปอย่างไรพอมาเห็นอุชลนอกุศลนอย่างนี้กีเ จ, จ, จท่านเปลี่ยนไปอย่างใหญ่เลยเรียกว่าแผ่นดินไหวในชีต ข, ของตันโอ้เพาเรื่องอุชลนอกุศชนอุชชนนี่คือความชั่วมีก็เนิดโลภะโทสะโมหะอกุศลคือ นี่ก็หมายถึ อ, อโะอโรพาอะโตสมหะก่นที่มีอะโรพะอะโตสมหะก็มีเสติสัมมัญญาเนี่ยกุศลเมื่อเรามาคิดชั่วไปทาชั่วไปพูดชั่วจิตมันก็มาเห็นกุศลเหล็กุศลเป็นอารมณ์ที่สามของการปเบัติหลังจากเห็นรูปเป็นนามมามันก็มาชนกับกุศลเหล็กุศลเห็นย่อให้เราดูว่า กุศลอกุศลมันเกิดขึ้นจากกายใจาวาจาจากใจเราทั้งบาปทั้งบุญเกิดที่นี่เราก็ไม่ทำบาปไม่ทางกายทางวายใจาทางใจมันใจมีบุญขนาดไหนถ้าจะไปได้สวรรค์ได้ย้ายสวรรค์นขนาดไหนพอมาทํานี้ก็ทําเป็นด้วยไม่คิดไม่ใช่คิดเอาเรื่องที่เห็นมาลําดับดู มาเป็นฐานที่ตั้งเอาไว้มั่นใจว่ามันเป็นอย่างนีน้ก็จิตท่านก็เปลี่ยนไปพอจิตเปลี่ยนไปอะไรมากมายความชัว่วความทุกข์อะไรต่างๆคลังลงไปเหมือนกับนั่งดูสิ่งที่ชั่วทั้งหลายปารายชัยไป ตามอนนาจารย์ท่านก็นัดไปพบให้อ่านายพันให้โยมพันมหาหลวงพเถียนชื่อโยมพันนะเราเรียกหลว่อเถียนนะชื่อจริงชื่อพันแต่ว่าได้ลูกชายเป็นคนโตก็เรียกชื่อตามลูกชายนะคนมังเลยเลยถ้าลูกคนโตชื่ออะไรก็เรียกชื่อตามลูก เขามาให้เรียกชี่กันเขาเื่อไม่เขารบกันก็เลยเรียกหลวงพ่อเทียนก็พ่อเทียนพ่อเทียนเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เลยเรียกหลวงพ่อเทียนให้โยมพันมหาด้วยอาจารย์มหาศีจันทรอนะหลวงพ่อเทียนก็เข้าไปหาท่านก็นั่งโซฟาห้ากลัวหลวงพ่อเทีก็เข้าไปกราบเอ้า ทักตรองนะเป็นไรล่ะก็รู้ตัวเองไม่เป็นไรครับมั่นคงเออบางท่าทักกันแบบให้ตกใจให้ตื่นเต้นให้กลัวแล้วพระเพื่อนจะว่าเอา้าออมาทักอะไรกันเนอะไม่เคยกลัวแล้วมากลัวอะไรเด็นพระผู้ใหญ่เราเป็นยองเอาไม่เคยกลัว เพราะว่าจริ ง, รงมันไม่อยู่ก็เป็นครอบพันเหมือนเดิมนะถา ม, ถามไปถามไปแล้วก็ถามเลยว่าเกลือมันเช็มไหมก็ชอบพันเราอ่ะเกลือไม่เช็มหรอกครับเ่อเมื่อใดลีนผมกับเกลือมาอยู่ด้วยกันจริงจะรู้ว่ามันเชม็ม เอาไปตอบกังก็ได้เอาตอนมันตอบนี่แหละเพราะอย่างนี้ผมนั่งอย่ผมไม่ได้เข็มมาเลยตอนเมื่อไรผมได้มือเกลือมาใสา่ลรื่องผมผมตอบว่ามันเข็มผมจะเข็มก่อนเข็มไ ด, ได้ตอบอย่างอ่าถารย์อาจารย์หาเจารกันดัง่งพปิกมันเผ็ดไป พริกบางก็ไม่เผ็ดสนะิผมไม่ไปกินพริกผมก็อยู่เฉยๆแล้วว่าอะไมผมเลยกินพริกผมเต็มรั่วมันเผ็ดผมจะตอบว่ามันเผ็ดแต่นี้ผมไม่ไปกินผมก็ไม่เผ็ดเลยอ้าวทำไมต่อไปมารขาตอบไปไม่หรอผมยิงไปอยู่ตรง น, นี้ท่านอาจารย์ก็ถามเ่าอะอสงมัิว่านนะพ่อเตียนอยู่โน่บ้านโ น, น้นทีเชียงใหม่แต่อาจารย์อยู่วัดมุก มุกหลังสีเม็ดมุกหลังสีอาจารย์สั่งให้พ่อพันธ์มาหาแต่ว่าเขาเขาฆ่าเสือใบตัวหนึ่งในดอนที่จะข้ามมาหาเรานะี่ยดอนนะ่ะข้างทางในเสือตัวนึงเขาฆ่ามันใส่อยู่นั่นถ้าใครเดินผ่านไปมาจะกัดเราพ่อพันธ์จะมาหาอาจารย์ได้ยนะัง อ้าอาจารย์สั่งให้ผมมาผมก็มาเอยจะมาได้ไงเสือจะกัดถ้ามาถึงเที่ยงแล้วเสือมันใจถูกเขาฆ่าแลละเสือไม่กัดเสือยังไม่กัดผมครับแต่เมื่ออาจารย์สั่งผมจะมาเดี๋ยวนี้เสือไม่กัดผมไม่ยังไม่กลัวถ้าเสือมาหาผมผมไว้จะฆ่าเสือให้ตายก็ได้ตอนนี้ผอยังไม่เห็นเสือผมจะกลัวแหละไม่กลัว เรไม่กลัวอะไรเสียกัดใจยังไม่กัดเพราะผมยังไม่เดินม า, าอาจารย์สั่งผมผมก็ต้องมาอาจารย์ก็ร้อยคนจะมีสักคนนึ่งพันคนจะมีสักคนน่งอะโมศนาด้วยนะพ่อพั น, นตอนเด็กเราสอบโอลงโอลงพอเทียนสมาดจนยมแสดงว่าเราพอเทียนเนี่ย พูดเป็นปัจจุบันเป็นกรรมที่การทำทำดีก็ทํำหน่อยทําทชั่วก็อาศัยตัวหน่อยไม่ได้อาศัยได้กลัวก่อนกลัวคิดก่อนคิ ด, คดทุกคนทุกหลงกอนหลงไม่ cotton. ได้เป็นเพ่อนมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้หนักแน่นในจิตของผู้ที่เข้าถึงธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเชื่อว่ า, า, ว เ, าเห็นว่าพู้ทีเจ้าเห็นบุญก็เป็นบุญเห็นบาปก็เป็นบาปไม่ทําบาป ทำแต่บุญหนึ่งมันจะไปไหนเมือล่มในหนอง่องมันจะไปไหนมันก็ต้องอยู่ในมันชีวิตของเราเนี่ยให้มั่นใจอย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่อย่อ้อนวอนลอยต่างๆเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งแวดล้อมชวให้หลงหลงก่อนหลงก็แม้ทุกก่อนทุกก็แม้โนรอะไรต่างๆชวนเชื่อ แต่ถ้าเราไม่มั่นคง เ, เป็นไปตามเหตุตามปยยัจจัยต่างๆนะเพราะนี่การปฏิบัติธรรมหน่งจึงเป็นวิธีที่อนุภาพช่วยเราได้เยอะเปลี่ยนภบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนสดิทนิสัยจากคนไ้่เป็นคนดีจากคนมีทุกข์เป็นคนไม่มีทุกข์อย่าไปทำอะไรอืน่นถ้ามีทุกข์เราอย่าไปคิดอันหนึ่งไปกินยาไปพบเพื่อนไปเที่ยวเตยร่อนไม่ต้องไป ให้มองตัวเองเช่นเราอยู่บ้านวันนี้เราโกรธเอาเมื่อวานนั่นไม่ไมโกรธทำไมจีโกรธขึ้นมาดูตัวเองสอนแล้วก็แจ้งเหตุของมันแต่มันทุกข์ก็เหมือนกันดูตัวเองสอนเป็นเรื่อนกับตัวเราแก้ได้ในปัจจุบันรรมาทำอดีตเมื่อวานไม่ผ่านมาแล้วไม่แก้เลยอนาคตคือพรุ่งนี้มันยังไม่ถึงก็แจ้งมาได้ เราแก่ได้เดี๋ยวนี้ปฏิบัติธรรมเป็นของจริงนี่ก็มาสอนกันมาพูดกันให้มีความแน่วแน่ไม่ต้องลังเลสงสัยการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเป็นอย่างนี้ก็สงสวรเจเวลาอาจารย์วิจิตพากาบพระพ